สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเร้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดตอนฉลาดแต่อะสัตตอนที่สองครับนี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าพระเยซูได้ทรงใช้คำอุปมานี้นะครับในสองานด้วยกันด้านหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับระหว่างคนอะสัตอธรรมที่ถูกตั้งขึ้นเป็น c ี o อเป็นผู้จัด ก, การเป็นคนต้นเรือนนะครับ ในขณะเดีวยวกันสิ่งที่พระเยซูสอนก็คือว่าให้เราที่จะมีจิตใจของเราปรับอยู่บนสวรรค์ <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องสัสมทรัพสมบัติไว้ในสวรครค์ครับทรัพสมบัติที่อยู่บนสวรรค์นั้นจะไม่มีบรรเลงกินไม่มีสนิมจะกัดไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้แล้รพระเยซูก็สอนในมัทธิวบทที่หกข้อสุดท้ายนะครับข้อยี่สิบเอดนะครับเพราะว่าทรัพสมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องครับอยากจะให้ท่องพร้อมกันสามรอบนะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคนต้นเรือนอสัหรือซีอหรือผู้จัดการคนนี้นะครับเขาคิดไปคิดมาด้วยความเฉลียวฉลาดของเขานะครับเขาก็คิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขา ตกเป็นกําเลยอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนอาสัตเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลครับสมบัติของเจ้านายหรือเศรษฐีเป็นอย่างดีนะครับเขาไม่เป็นผู้จัดการที่สูรุ่ยสูร่ายเขาทําให้สินค้าที่สมบัตินั้นถูกขลางไปโดยการจัดการที่ไม่เรียบร้อยของเขาเขาแน่ใจครับเขาจะต้องเด้งแน่นอนครับทีนี้เมื่อเขาคิดอย่างนี้เขาก็ทําอะไรครับเขาก็เรียกลูกนี้ของนายมาพบเขาทีลกคเพื่อที่จะลดหนี้ ทำให้เกิดบุญคุณทําให้พวกเขาพอใจและการที่เขาเช็คนี่นะครับตามบัญชีที่น้องเห็นกันทีครับเขาไม่ได้เช็คตามบัญชีที่เขามีอยู่แต่เขาถามกับลูกหนี้ครับบอกว่าคุณติดนายฉั้นเท่าไหร่ลูกหนี้ก็บอกเอาตามใจชอบครับจะบอกจริงจะบอกเท็จเราไม่ทราบเราจะเห็นว่าวิธีการจัดการของคนต้นเรือเนี่ยนะครับแย่มากครับเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าเห็นแก่ตัวฉลาดเพราะว่าบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลก ฉลาดที่จะทำงานน้อยนะครับได้รับเงาานินค่าจ้างเยอะๆเนี่ยลักษณะแบบนี้คือคนฉลาดที่ไม่มีคนคนเจ้านายไม่มีเศรษฐีคนไหนพอใจครับในที่สุดเนี่ยเขาจะต้องถูกไล่ออกแต่ก่อนที่ถูกไล่ออกขณะที่เขายังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นคนต้นเรือนอยู่เขายังคงมีสิทธิอำนาจนะครับที่จะจัดการหนี้สินของนายได้ทั้งที่นายเนี่ย ก, กลาลังจะโลภแล จากการพูดคุยกับแต่ละคนนั้นคนต้นเรือนขอให้พวกเขานําบัญชีลูกหนี้ของเขาออกมาสําหรับคนที่เป็นหนี้น้ํามันหนึ่งร้อยถังคนต้นเรือนก็แก้ให้เป็นห้าสิบถังน้ํามันเป็นผลิตผลที่ผลิตทั่วไปในปาเลสไตน์นะครับก็คือน้ํามันมะกอกครับการผลิตน้ํามันให้ได้หนึ่งร้อยถังต้องใช้ต้นมะกอกเป็นจํานวนหนึ่งร้อยสี่สิหกต้นพี่น้องครับแสดงว่ามันเยอะนะครับในสมัยนั้นของเหลวหนึ่งถังเท่ากับประมาณเก้าแกลลอน ลูกหนี้คนหนึ่งครับเป็นหนี้ข้าวสาลีร้อยกระสอบคนต้นเหลือนก็นลดหนี้ให้เหลือเพียงแปดสิบกระสอบข้าวสาลีหนึ่งกระสอบในสมัยนั้นมากกว่าสิบบุชเชลนะครับหน่วยตัวงข้าวหนึ่งบุชเชลเท่ากับแปดแกลลอนอันนี้จากตาราภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องครับยังไงก็ตามครับแสดงว่าเป็นปริมาณที่มากนะครับเป็นปริมาณที่มากในข้อที่แปดเลือดขาวนี้ไปถึงหูของเศรษฐี ปรากฏว่าเศรษฐีนั้นชมคนต้นเรืออาศักตนนี้เศรษฐีตระหนักได้ครับว่าคนต้นเรือนี้ได้ทําอะไรลงไปก็เจ้าของที่ดินนะครับหรือเศรษฐีนั้นเขามาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ง่ายนะครับเขาต้องปีนป่ายขึ้นมาในหลายระดับต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับอาจจะต้องใช้กลกลยุทธ์บางสิ่งบางอย่างหรือการโกงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้เงินมานะครับ เจ้าของที่ดินหรือเศรษฐีคนนี้ก็ชมคนต้นเรือนพอเห็นปั๊บเขาอ่านได้ทันทีเขาแปลความได้ทันทีเขาเข้าใจเลยครับว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกพี่น้องครับในขบุป ม, มานี้มีความหมายบางอย่างแฝงอยู่ครับแต่เรื่องนี้ดูแล้วผนเพลนดูผนเพนไม่ค่อยชัดเจนเหมือนคําสอนอื่นเพราะคาสอนอื่นนั้นก็ตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่เราจะต้องคิด ถึงในเรื่องของคำโอมานี้เพื่อที่จะเห็นถึงความหมายและสิ่งศัจธรรมที่พระเยซูกําลังสอนอยู่นะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็คือให้เรามาดูคนของความสว่างคนของความสว่างนี้เป็นใครคนของความสว่างนี้ก็คือคริสเตียนนะครับเป็นสาวกของพระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระเยซูเป็นคนของความสว่างพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะครับ คนที่ติดตามพระเยซูก็จะต้องเป็นเหมือนกับความสว่างเล็กๆนะครับเรียนแบบพระเยซูเป็นความสว่างเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนของความสว่างครับคนของโลกนี้คือประชาชนที่ไม่ทําตามพระบาัญญัติของพระเจ้านะในขะบอนมานี้คนต้นเรือนกลับถูกชมเชยในความฉลาดที่มองการไกลของเขานะครับนั่นเป็นประการแรกประการที่สองก็คือเขาฉลาดในการที่จัดเตรียมนะครับมีการวางแผนสำหรับอนาคตของเขา นะครับนะอันนี้เป็นอาการที่สองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนฉลาดนะในสายพเนตรของพระเยซูก็คือต้องเป็นคนฉลาดนะครับมองการใจและต้องเป็นคนที่เตรียมตัวล่วงหน้าในการเปรียบเทียบระหว่างโลกของธุรกิจกับงานรับใช้คริสเตียนที่น้องเห็นนะครับเห็นได้ชัดเจนในเรื่องนี้นะยกตัวอย่างเช่น สาล่าอเมริกาเวลาเปิดความสัมพันธ์นะกับประเทศจีนนักธุรกิจก็เริ่มเจรจาตั้งกำนัก ง, งานตั้งธุรกิจในในี่นะครับสั ญ, ญาลักษณ์ของเครื่องดื่มน้ําอับลมต่างๆเช่นโค้กเอฟซีก็ปรกกากฏให้เห็นนะครับแมคโดนัลเลยเคเอค่ยปรกกากฏให้เห็นในดินแดนดเก่าแก่ของประเทศจีนคำถามก็คือว่าแล้วพันธกิจละ่ะพันธกิจมีการตอบสนองที่จะเข้าสู่ประตูที่เคยปิดไว้ของจีนหรือเปล่าเวลานี้เปิดแล้วครับ รวดเร็วเทียง่ดพี่น้องครับประเทศบ้านเรานะครับกําลังจะเปิด AEC นะครับขอบคุณพระเจ้าที่เขาเลื่อนไปเปิดในปีหน้านะครับปีห้าเก้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งปีถามว่าในวงธุรกิจเขาเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับในวงราชการก็ยังก้าวช้าอยู่ถามว่าในวงการคิดเปลี่ยภนภารกิจของเราเราเก้าวไปได้แค่ไหน นี่เป็นข้อคิดนะครับในวันนี้พี่น้องครับในเรื่องของทรัพย์สมบัติอาธรรมนะครับหลายหลยคนก็เข้าใจว่าอย่างนี้ซึ่งเป็นคำข้อสุดท้ายในคำโอมมานะครับหลายหลยคนเข้าใจถูกบ้างไม่ถูกบ้างกับคําว่าทรัพย์สมบัติอาธรรมคาคํานี้ครับอ้างถึงวัตถุต่างๆสิ่งของต่างๆและเงินทองที่อยู่ในโลกนี้เงินทองนั้นเป็นทรัพย์ ที่เรีว so, so, ่าทรัพสมบัติในโลกเราจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆที่เราต้องการไม่ผิดนะครับที่เราจะเป็นเจ้าของในสิ่งที่ดีแต่เราต้องตระหนักครับว่าการมีสิ่งของที่ไม่ใช่ความร่ํำรวยที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าในสวรรค์โปรดฟังอีกครั้งนะครับการมีสิ่งของที่ไม่จําเป็นหรือเกินจําเป็นไม่ใช่เป็นความร่ํำรวยที่แท้จริงครับและสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าในสวรรค์อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้ในทางโลกในทางที่ถูก ครับสมบัติในโลกนี้ของเราก็สามารถมีอิทธิพลในสวรค์ได้และจะมีอิทธิพลในสวรได้อย่างไงครับสมมุติครับว่าเราได้ใช้เงินของเราเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนพวกเขาต้องการยาสําหรับเด็กที่ไม่สบายหรือเสื้อหนาวสําสหรับเด็กที่จะใช้ในหน้าหนาวทรัพย์สมบัติอัาจทำให้ทรับสมบัติเงินทองในโลกเนี้ยนะครับทําให้สร้างมิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างคนอื่นๆนะครับกับครอบครัวนี้ ในที่สุดครอบครัวที่ยากจนนี้จะไปคิจากพร้อมกับคนที่ใจดีนั้นเพราะว่าคนนั้นมีพระคุณต่อเขาเนื่องจากการช่วยเหลือนี่เองคิดจากเขาได้ให้อะไรครับความเชื่อและให้ความรักไดะให้ความอบอุ่นนะครับในที่สุดครอบครัวนี้ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าและยินเรื่องของพระเยซูรับความรอดครับ พวกเขากลายเป็นเพื่เตียนในที่สุดและเขาเรียนรู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขาผ่านทางคนของพระองค์และเขาจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้ด้วยเนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่บอกว่าทรัพย์สมบัติอัธรรมที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็คือทรัพย์สมบัติสิ่งของในโลกนี้เราสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์บนสวรรค์ได้และขอให้เรารู้นะครับว่าทรัพย์บนสวรรค์นั้นนะครับไม่ได้แค่เอาไปได้ขโมยก็ลักไปไม่ได้นะครับแมลงก็เจาะไปไม่ได้นะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำลายทรัพย์สมบัตินี้เป็นทรัพย์สมบัติหาวนของเรานะครับเราจะต้องใช้เงินในทรัพย์สมบัติของเราเพื่อนำคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านี่คือการเปลี่ยนทรัพย์สมบัติธรรมให้กลายเป็นทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืนหาวอนบนสวรรค์ประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ในการใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อจะเป็นที่ไว้วางใจที่จะดูแลคนจํานวนมากนะครับก็คือสัตยซื่อในของเล็กน้อย นะครับถ้าเรอ่านต่อไปครับในข้อที่สิบสองซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาทบทวนนะครับข้อที่สิบจนเป็นข้อที่สิบสามนะครับและประการสุดท้ายก็คือเงินนะครับไม่สำคัญไปกว่าจงรักภักดีในพระเจ้าเงินไม่สําคัญไปกว่าความจงรักภักดีในพระเจ้าครับของพระเจ้าไวทร์ที่น้องเชื่อนทุกท่านนะครับับวนมานี้จะท้าทายเราว่าแผ่นดินของพระเจ้ากับแผ่นดินโลกนี้ใครจะสำคัญกว่ากัน แผ่นดินของพระเจ้าจะเจริญขึ้นโดยการใช้ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่จําเป็นพื้นฐานของมนุษย์คนต้นเรียนดําเนินแผนการของเขาทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการทางการเงินแต่ทฤเฎียนปัจจุบันนี้ดําเนินการรวดเร็วเพียงใดครับเมื่อมีโอกาสขยายแผ่นดินของพระเจ้าเราทําอย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อเรามีโอกาสขยายแผ่นดินของพระเจ้าและลงทุนตรงไหนครับถึงจะคุ้มค่าที่สุดคําตอบก็คือ ลงทุนบนแผ่นดินสวรรค์คุ้มค่าสุดคุ้มอาเมน